มีชาวต่างประเทศอยู่ท่านหนึ่งได้มาปารพขอพอรให้กับลูกของหลานสาวที่เพิ่งเกิดมาก็ไม่รู้ว่าจะให้พอรอย่างไรดีเพราะว่าคนที่มาเกิดนี่ก็เป็นเหมือนคนที่ถูกสาบ ถูกสาปให้มาแก่ถูกสาปมาให้เจ็บมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยถูกสาปมาให้ตายเหมือนกับคนที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตไม่ทราบว่าจะให้พรให้เขามีเจริญด้วยอายุวันนสุขภะละได้อย่างไรเพราะชีวิตของเขานั้นจะต้อง ไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บและไปสู่ความตายการจะให้พรกับคนที่ถูกสาบนี้จึงทําได้ยากทําทําไปก็ไม่ได้เพราะความจริงมันถูกสาบให้แก่ให้เจ็บให้ตายกันนั่นเอง มีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือสอนเขาไม่ให้มาเกิดถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้มาเกิดเหตุที่ทำให้มาเกิด ก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเรียกว่าการมตัญหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวตัญหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวตัญหา ความอยากทั้งสามประเทนี้แหละที่เป็นผู้สาบให้พวกเราทั้งหลายมาเกิดกันมาเกิดแล้วก็สาบให้พวกเราต้องมาแก่มาเจ็บและมาตายกันถ้าพวกเราอยากจะได้พรที่พระให้กัน คือให้มีความจเจริญด้วยอายุวั น, นสุขภาระเราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ด้วยการละความอยากทั้งสามประเภทนี้วิธีที่จะละความอยากทั้งสามประเภทนี้ก็ต้องละด้วยการจเจริญทานศีลภาวนานี้เอง การศีลภาวนานีเป็นเครื่องมือที่จะละความอยากต่างๆได้และเมื่อละความอยากได้ก็จะยุติการมาเกิดได้เมื่อยุติการมาเกิดได้ก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายกันอีกต่อไป นี่คือวิธีที่จะให้พรแต่ผู้ที่จะรับพรนั้นต้องเป็นผู้ให้พรกับตนเองผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติแทนตนเองได้พระพุทธเจ้าถึงทรงสอนอัตตาหิอัตโตนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ตนต้องเป็นผู้หยุดความอยากหยุดการมาเกิดแล้วก็จะได้หยุดความแก่หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยและหยุดความตายได้พระพุทธเจ้าและพระสาวกถึงแม้ว่าท่านจะสามารถหยุดการเกิดหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายได้ก็ต่าง แต่ท่านไม่สามารถที่จะมาหยุดการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้ไม่มีใครหยุดการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้นอกจากตัวของพวกเราเองเราจึงต้องเป็นผู้ที่เจริญเครื่องมือที่ทรงเรียกว่ามรคมรคแปลว่า ทางที่จะพาไปสู่การยุติของการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าได้เครื่องมือทั้งสามชนิดนี้ก็จะสามารถที่จะ หยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดความตระอยากต่างๆได้หมดก็จะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะได้มีแต่ความเจริญด้วยบรลมัสุขบรลมสัสขก็คือจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดจิตที่มีความสุข ที่ยิ่งใหญ่บรมสุขแปลว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราหากันอยู่เป็นความสุขที่เรา มีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่พอได้มาแล้วก็หมดไปเวลาเราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเราก็จะมีความสุขพอเราหยุดเสบความสุขนั้นก็หายไปปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างฝ่าเปลี่ยว ปล่อยให้ใจเกิดความอยากที่จะมีความสุขแบบนั้นอีกก็ต้องไปเสพ ร, รูปเสียงกลีนดลดผลทพะอีกเสพเท่าไหร่ก็จะหมดไปเท่านั้นเสพเสร็จมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องไปเสพใหม่เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้อิ่มทำให้พอ มีแต่จะทำให้อยากเสพไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับการเสพ ย, ยาเสพติดถ้าเสพแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นวิธีที่พวกเราจะให้พร แกตัวเราเองก็คือเราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเช่นการทําทานนี้ความหมายของทานก็คือการให้ให้เงินทองของเราแก่ผู้อื่นทําไมเราต้องให้เงินทองของเราให้กับผู้อื่นถ้าเรามีเงินทองถ้าเรา มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเงินทองนี้จะกลายเป็นเครื่องมือของความอยากไปพอมีเงินเราก็อยากจะซื้อของนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราก็มีล้นตู้อยู่แล้วแต่เวลาเราไปเดินตาม ร้านค้าพอเห็นเสื้อผ้าที่เขาแขวนอยู่เขาขายกันก็เกิดความชอบใจอยากจะได้ขึ้นมาถ้ามีเงินก็จะซื้อทันทีถ้าไม่มีเงินก็จะไม่ได้ซื้อเราจึงต้องทำตัวเราให้ไม่มีเงินที่จะเอามาซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆ ให้มีเงินไว้สำหรับชื้อของที่จำเป็นเท่านั้นเช่นซื้ออาหารถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าได้ถ้าไม่มียารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องซื้ อ, อยารักษาโรคมารักษาถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยก็ซื้อบ้านหรือเช่าบ้านอยู่ ถ้าใช้แบบนี้จะไม่ได้ไม่เป็นการสร้างการสร้างความอยากหรือทาสะสมความอยากส่งเสริมความอยากแต่แต่ทำไปเพราะความจำเป็นเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะมารักษาศีลมาภาวนา มาละความอยากกันงา น, นหน้าที่ของการทำทานจริงๆก็คือให้เราไม่มีเงินทองที่จะเอามาดับใช้ความอยากของเราเช่นถ้าเราอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ให้เอาเงินที่จะซื้อของที่ไม่จำเป็นนี้ไปทาทานไปทาประโยชน์ดีกว่า ก็เอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากลำบนขาดแคลนในปัจจัยสี่เอาไปทำบุญที่วัดก็ได้ทำบุญที่โรงพยาบาลก็ได้ทำบุญที่โร ง, งเรียนก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ ทำไปดีกว่าเอาเงินนี้ไปทําตามความอยากเพราะถ้าเอาไปทําตามความอยากจะไปส่งเสริมให้มีความอยากมากขึ้นไม่ได้ลดความอยากไห่น้อยลงไปแต่ถ้าเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนที่จะเอาไปทําตามความอยากความอยากจะลด ลงไปตามลำดำับทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินไปซื้อของหรือไปทำอะไรตามความอยากถ้าเราไม่เอาไปทำความอยากนั้นจะค่อยๆหรือจะค่อยๆหมดไปเพราะอยากที่ไรก็ไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้ทำตามใจอยากอยากจะเอาเงินไปซื้อ ของที่ไม่จำเป็นก็ไม่ได้ซื้ออยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเอาไปทำบุญเสียหมดอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่ต้องใช้เงินทําตามความอยากความอยากที่จะใช้เงินนั้นก็จะหมดไปก็ช่วยตัดความอยากทางการมรัตหาได้ภาวะตัญหาได้ วิภาวะตัณหาได้ไปในระดับหนึ่งอ น, นี่ก็คือหน้าที่ที่แท้จริงของการทำทานแต่คนเราส่วนใหญ่เวลาทำทานกันมักจะทำเพื่อความอยากอยากได้ผลตอบแทนจากการทำบุญให้ทานถ้าเขาบอกว่าทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ หรือว่าถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จะได้ร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมนะก็อยากจะทำกันทำแบบนี้ก็ยังเป็นการทำเสริมความอยากเสริมการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังอยากจะกลับมาเกิดอยู่ยังอยากจะมาร่ำรวยกว่าเก่านะอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ การทำทานนี้เราไม่ต้องทำเราต้องการตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับไม่ต้องอยากไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องถูกสาปให้แก่ให้เจ็บให้ตายเหมือนเดิมแต่ความจริงการทำทานนี้มันก็มีผลปลอยได้ ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ทานที่เราทำนี้มันก็มีผลพลอยได้คือเวลาเรากลับมาเกิดเราก็จะได้เงินทองที่เราสละไปนั้นกลับมามากกว่าที่เราให้ไปเหมือนกับการปลูกข้าว เราปลูกข้าวหนึ่งเมล็ดเราได้ข้าวหนึ่งต้นแต่เวลาข้าวออกรวงนี้เราได้เมล็ดข้าวเป็นสิบอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเวลาเราทำทานไปเงินทองที่เราบ่อยจากไปมันจะกลับมาหาเราเท่ายาวยังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะ ละความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหาให้หมดไปจากใจของเราเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเพื่อมาปฏิบัติต่อมาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาภาวนาต่อแต่เราจะกลับมาเกิดรวยกว่าเก่าทำให้เราสามารถที่จะ อยู่อย่างสบายและมีเวลาที่เราจะมาบำเพ็ญมาปฏิบัติได้เพราะเราไม่ต้องไปทำงานทำการเรามีเงินมีทองเราไม่ต้องไปดิ้นรนกับการทำมาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ก็เป็นอนิสงส์เป็นผลพลอยได้ ที่เกิดจากการทำทานแต่ไม่ได้เป็นผลหลักที่เราต้องการผลหลักในการทำทานนี้เราต้องการละกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาเช่นคนบางคนก็ใช้เงินเพื่อส่งเสริมภวะตัญหาคือการอยากเป็นนั่นเป็นนี่เห็นอยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นผู้แทน อยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีเงินต้องใช้เงินไปหาเสียงใช้เงินไปซื้อเสียงเพื่อที่จะได้ตําแหน่งมาได้มีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ก็เป็นการใช้เงินเพื่อส่งเสริมภวะนันหาบางคนก็ใช้เงินเพื่อส่งเสริมวิภวะนันหา คือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ใช้เงินเพื่อซื้อวิธีรักษาร่างกายหรือดูแลร่างกายให้แก่ช้าลงไปให้เจ็บไข้น้อยลงไปและให้ให้อยู่ไปนานๆไม่ให้ตายเร็วก็ต้องใช้เงินทองซื้ออุปกรณ์ต่างๆซื้ อ, อ อาหารหรือยาเสริมต่างๆเพื่อที่จะบำรุงรักษาร่างกายนี้จะรอความแก่จะลอความเจ็บไข้ได้ป่วยและจะรอความตายแต่จะใช้เงินทองมากน้อยเพียงไรไปกับเรื่องราวเหล่านี้มันก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีแต่มันไปส่งเสริม วิภาวตัณหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทำให้จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาอีกวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องปล่อยมันไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างนี้ต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะเราไม่ส่งเสริมภาวะตันหาทั้งสามคือไม่ใช้เงินทองที่เรามีอยู่นี้เพื่อการส่งเสริมการมรตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหาแล้วตันหาเหล่านี้ก็จะน้อยลงไปเมื่อมันน้อยลงไปภพชาติที่เราะจะมีก็จะน้อยลงไปตามลำดับ แต่ยังไม่หมดการทำทานนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากทั้งสามประเภทนี้ให้หมดไปได้ถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งก้านของต้นไม้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้นี้ถึงแม้จะตัดต้นไปถ้ายังไม่ถอนรากของต้นไม้ ต้นไม้นี้ก็ยังไม่ตายยังโผล่ยังออกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะทำลายต้นไม้นี้อย่างท้าวรก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาปัญหาทั้งสามนี้ก็ไม่ได้ตายด้วยการทำทานและไม่ได้ตายด้วยการรักษาศีลไม่ได้ตายด้วยการ นั่งสมาธิทาใจให้สงบแต่จะตายอย่างถาวรได้ต้องตายด้วยการเจริญปัญญานี่คือการบมเพ็ญที่เราจะต้องบาเพ็ญตามลำดับขึ้นไปก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาได้เราต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนก่อนจะผ่านขั้นสมาธิได้ก็ต้องผ่านขั้นศีลก่อน ศีลก็มีหลายขั้นด้วยกันขั้นหน้าก็ศีลห้าขั้นที่เราขั้นที่เราทำทานอยู่นี้เราก็ทาทานไปรักษาศีลห้าไปก่อนถ้าเรายังรักษาศีลข้อที่มากกว่านี้ไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ศีลห้าทำทานไปทุกครั้งเวลาจะเอาเงินไปทำตามความอยากก็เอาไปทำทานก็จะ ตัดความอยากให้น้อยลงไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็รักษาศีลห้าศีลห้าก็ช่วยตัดความอยากให้น้อยลงไปได้อีกระดับหนึ่งเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มสุราการดื่มสุรา this ก็เป็นกามะตัณหาความอยากเศรษรูปเสียงกลิ่นรสของสุราย า, มาเมาเศรษแล้วก็ทําให้เกิดความสุข ช่ณะหนึ่งแต่ก็ทำให้เกิดโทษเพราะว่าทำให้ไม่มีสติพังเพลไม่มีสติที่จะมาควบคุมความความอยากต่างๆเช่นเวลาอยากไปซื้อข้าวซื้อของหรือไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินทองก็ต้องไปรักขโมยก็อยากไปรักทรัพย์ ถ้าไม่มีสติดื่มสุรายาวเมาพอเกิดความอยา ก, กรักษ์ขึ้นมาก็จะทำได้ง่ายเพราะจะไม่มีสติคอยควบคุมคอยหยุดความอยากนี้แต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้เราก็จะตัดความอยากที่จะใช้การทำบาปเป็นเครื่องมือได้ เวลาเราโกรธใครเราก็อยากจะทำร้ายเขาถ้าถ้าเขาได้บางทีก็อยากจะฆ่าเขาถ้าเขาเป็นผู้ที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเราหรือคู่แข่งในการทำธุรกิจทำการค้าถ้ามีเขาแล้วทำให้การค้าของเรานี้ไม่ก้าวหน้า ถ้ากำจัดเขาได้แล้วทาให้การค้าของเราได้ก้าวหน้าถ้าเราอยากให้การธุรกิจของเราก้าวหน้าเราก็จะอยากจะฆ่าเขาแต่ถ้าเรามีศีลห้าเราก็จะมีเบรกมีรัว้วควบคุมความอยากของเราไว้ไม่ให้เราทําบาปไม่ให้เราไปฆ่าเขาด้วยความโลภ ก, ก็ดี หรือด้วยความโกรธก็ดีนี่ก็คือหน้าที่ของการรักษาศีลที่แท้จริงก็คือเพื่อที่จะควบคุมความอยากนั่นเองตัดความอยากละความอยากให้มันน้อยไปเหมือนกับการตัดกิ่งก้านหรือตัดต้นของต้นไม้เพื่อต้นไม้มันจะได้ไม่เจริญงอกงาม แล้วถ้าเราอยากที่จะตัดความอยากให้ได้มากกว่านี้การรักษาศีลห้านี้ก็จะไม่พอเราต้องเพิ่มอีกสามข้อคือเพิ่มศีลแปดให้เป็นศีล8เพราะการรักษาเพิ่มอีกสามข้อนี้ก็จ ะ, ะหยุดความอยากได้มากขึ้นอีกเพราะว่านอกจากการอยากฆ่าอยากรักทรัพย์ อยากจะพูดผิดประเวณีอยากจะโกหกหลอกลวงอยากจะเสพสุรายาเมาแล้ ว, ลวก็ยังมีความอยากอย่างอื่นที่ศีลห้าไม่สามารถยับยังป้องกันได้เช่นการอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนอันนี้ศีลห้าไม่มีอํานาจที่จะห้ามได้ต้องใช้อํานาจของศีล8ก็คือศีลข้อสมจาก การถือการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็ต้องเปลี่ยนมาถือการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยแม้แต่คู่ครองของตนก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยเพราะมันเป็นความอยากมันเป็นกามตัญหาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ผิดประเพณีไม่มีผลเสียหายถ้าไปร่วมหลับนอนกับ สามีภรรยาของผู้อื่นนี้มันเกิดโทษร้ายแรงกว่าการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนศินข้อสามนี้เพียงแต่หยุดความอยากที่จะไปศินของศิลห้า น, นี้หยุดความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ การที่เราถือศีล8เราก็ต้องเปลี่ยนข้อ3ให้เป็นอ布拉รรมจาริยาเวรมณีคือจะถือศีลของจะอยู่แบบพรมอยู่แบบพรมพรมก็คือจะไม่หาความสุขจากทางร่างกายพรมนี้จะหาความสุขจากความสงบทางใจนี่คือการหยุดความอยากเพิ่มขึ้นอีก3าข้อ ข้อที่สามก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มข้อที่หกไม่ไม่รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารตามความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยารับเพื่อเยียวยารักษาร่างกายรับประทานตามเวลาตามความต้องการของร่างกายเช่นรับประทานวันละมือ้อ หรือถ้าสองมือก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเอาแค่เที่ยงวันเป็น เ, เป็นจุดที่เราจะหยุดการรับประทานอาหารเพื่อเราจะได้มีเวลามาหยุดความอยากด้วยการทำสมาธิต่อไปนั่นเองเอสิ่งก่อเจก็คือหยุดหาความสุข หยุดการหยุดทําตามความอยากหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้นกายเช่นการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปดูบอลหอระศพต่างๆดูละครดูอะไรต่างๆจะไม่หาความสุขแบบนี้จะหยุดความอยากคือกามตัณหาไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายของตนเอง ด้วยเสื้อผ้าอาพรที่มีสีสันวิจิตพิสดารเสรมสวยความงามด้วยการทำเเผาทำผมด้วยการแต่งหน้าทาปากด้วยการใช้น้าหอมน้ามันเครื่องสำอางต่างๆนี่ก็เป็นความอยากเรียกว่าการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายของตนเอง อยากให้ร่างกายของตนมีรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามน่ารักน่าชื่นชมยินดีอันนี้ก็เป็นการตัดความอยากตัดการมาตัญหาแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สามของสีนแปดเพิ่มจากสีห้าก็คือการไมอ่อยากนอนมากจนเกินไป การ น, นอนนี้ควรจะนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พออย่านอนเพราะอยากมีความสุขกับการหลับนอนเพราะมันสบายความสุขทางร่างกายเราไม่ต้องการเราต้องการความสุขทางใจเพราะความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจ แทนที่จะเอาเวลาไปนอนเราจะได้เอาเวลามาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้นี้เราก็จะหยุดความอยากได้เต็มที่เลยถ้าเป็นต้นไม้ ก, ก็เราตัดลำต้นทิ้งไปเลยแต่เรายังไม่ได้ถอนรากของต้นขึ้นมาท่านเองมีเหลือแต่ตออยู่ แต่ต้นไม้ก็ยังไม่ตายถ้ายังมีรากอยู่ในดินมันก็ยังโผล่ขึ้นมาต่อได้สมาธิก็เหมือนกับการตัดต้นตัดต้นไม้แต่ยังไม่ได้ถอนรากของต้นไม้เวลาที่เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้ความอยากทั้งสามนี้จะหายไปชั่วคราวจะทำงานไม่ได้ เพราะว่าความอยากทั้งสามนี้ต้องอาศัยการทำงานของจิตก็คือความคิดปรุงแต่งถ้าจิตไม่คิดปรุงแต่งไม่มีสัญญาสังขารในขณะนั้นไม่มีวิญญาณที่จะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีการคิดปรุงแต่งเมื่อไม่มีการคิดปรุงแต่งก็จะไม่มีความอยาก กามตัณหาตอนนั้นจะไม่มีภาวะตัณหาวิภวะตัณหาตอนนั้นจะไม่มีใจจะมีแต่ความสงบมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งสัแต่วารูอุเบกขาก็คือใจที่เป็นกลางปราศจากความรักชังความกลัวความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวะตัณหาขึ้นมานั้นเอง แต่เป็นความสงบที่ไม่ถาวรเท่านั้นความสงบแบบนี้แหละที่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นั้นทรงได้ศึกษาจากผู้อื่นมาถึงระดับนี้เท่านั้นในสมัยนั้นไม่มีใครรู้วิธีที่จะทาลายความอยากให้ได้อย่างถาวรทาได้เพียงแต่หยุดความอยากให ในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอจิตถอนออกจากสมาธิมาออกมาคิดปรุงแต่งออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้รูปเสียงกลิน่นรสความอยากก็จะตามมาทันทีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะตามมาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะตามมาความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็จะตามมา ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกําจัดความอยากเหล่านี้หลังจากที่ออกจากสมาธิได้พระพุทธเจ้าไปศึกษากับพระอาจารย์รูปไหนเขาก็สอนได้เพียงแต่หยุดความอยากในขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิมานี้ไม่มีใครรู้จักวิธีทําลายความอยากได้ พระพุทธเจ้าเลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกทดลองการอดพระกายอาหารจนกระทั่งร่างกายนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายก็ทรงรู้ว่าการอดพระกายอาหารก็ไม่สามารถที่จะทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ใน พระไถยของพระ อ, องค์ให้หมดไปได้การฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้เพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจจึงต้องใช้การค้นคว้าต่อไปจนในที่สุดก็ทรงค้นพบความจริงว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าความสุขเอ ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบนี่แหละอยู่ที่ความสงบของใจไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผุดผภาไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอ่าเป็นปัต เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆที่พวกที่หูหนวกตาบอดทั้งหลายอยากจะเป็นกันนั่นนั่นคือความหลงเพราะว่าเป็นอะไรมันก็เป็นความสุขชั่วคราวขณะที่เป็นก็มีความสุขแต่พอไม่ได้เป็นก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นไปได้ตลอดนั่นเอง เพราะร่างกายมันถูกสาบให้แก่ให้เจ็บให้ตายพอร่างกายตายไปการเป็นอะไรต่างๆก็หมดไปเป็นมหาจากักรพรรดิก็หมดไปเป็นมหากษัตริย์ก็หมดไปเป็นประธานาธิปดีแม่ น, นายกรัฐมนตรีก็ต้องหมดไปนี่พระองค์จึงพิจารณาเห็นว่าการไปหาความสุขนอกจากความสงบนี้ จะไม่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะได้ความสุขที่แท้จริงมาเป็นการได้ความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมหมดไปแล้วก็กลายเป็นความทุกข์มาในที่สุดพระองค์ก็ส่งคนพบว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากนี่อยากเวลาอยากนี้ใจจะกระเพิ่มขึ้นมา ใจที่มีความสงบมีความสุขอยู่ดีๆพอไปเกิดความอยากขึ้นมานี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะถูกทําลายไปเหมือนน้ำที่นิ่งพอโยนก้อนหินลงไปก็จะทำให้เกิดคลื่นขึ้นมาทันทีน้ำที่นิ่งก็จะหายนิ่งไปใจที่จะสงบใจที่สงบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะ เกิดการกระเพิ่มเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีพระองค์จึงทรงเห็นพระอริยสัจสีนี่เองเห็นว่าความทุกข์ใจการกระเพิ่มของใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากทั้งสามตัวนี้เองคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาและการที่จะ กำจัดปัญหาทั้งสามนี้ก็ต้องใช้ความจริงสอนใจสอนให้รู้ว่าอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไปถ้าไปหาความสุขทางร่างกายก็ต้องหาอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขใหม่แต่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายตามมาด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นได้ร่างกายอันนี้มาก็เอามาใช้ในการหาความสุขต่างๆพอมันแก่เจ็บตายก็ต้องทุกข์กว่ามันแล้วก็พอตายไปแล้วก็ กลับมาหาร่างกายอันใหม่อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราได้ร่างกายนี้มาไม่รู้เป็นร่างกายที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วถ้ามีการจดบันทึกไว้มันจะเป็นแบบดานล้านร่างกายมาแล้วคิดดูก็แล้วกันน้ําตาที่พวกเราหลังในแต่ละพบแต่ละชาตินี้หลังเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตาย เจอการพัดพากจากกันนี้น้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรเสียอีกคิดดูก็แล้วกันว่าชาตินี้เราร้องไห้ถึงขันหนึ่งไหมน้ําตาที่เราร้องแล้วคิดดูว่าเราจะต้องมีพบชาติกี่พบชาติด้วยกันถึงจะมีน้ําตามากกว่าน้ําในมาหาสมุทรนั่นแหะคือ ปริมาณจํานวนของภพชาติที่พวกเราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพ่อพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเกิดมา แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลและเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเสียได้ซ้าไปคิดดูก็แล้วกันว่าการถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในแต่ละครั้งนี่ยากน้อยเพียงไรตั้งแต่เราเกิดมานี่เราเคยถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรื อ, อยาง เราคิดดูต้องต้องถูกงอนที่หนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งนี่มันจะยากขึ้นไปขนาดไหนถ้าเราคิดว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งนี้ยากแสนยากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ยิ่งยากกว่าการถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งเป็นล้านเท่าเสียด้วยซ้ําไปเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่ง ช่วงระยะเวลาของพระพุทธศาสนาแต่ละศาสนานี้จะทิ้งช่วงเป็นกับคําว่ากับนี้ก็เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขเขียนไปจนมือเมื่อยก็ยังไม่ได้หนึ่งกับก็คิดดูก็แล้วกันว่าแล้วการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้เรามาเกิดบ่อยไหมหรือดังจังหวะที่เรามาเกิดนี้จะมา เจอกับพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดูเวลาเราขับรถไปจอดอยู่ที่ติดไฟไฟแดงอยู่แล้วเราสังเกต ด, ดูรถที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างข้างเราดู4สี่คันแล้วลองจดทะเบียนหรือจดสีของรถไว้แล้วลองไปดูว่าโอกาสที่จะมาเจอรถสี่คันนี้อีกในไฟแดงข้างหน้านี้จะมีไหม จะเป็นไปได้ง่ายหรือยากอย่างไรเคยเคยเจอรถสี่คันที่เราเจอกันในขณะที่เราติดไฟแดงไหมนั่นแหะก็คิดดูการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนามันก็ยากยิ่งกว่าการไปเจอรถสี่คันที่เราเจอในที่เราติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงดังนั้นการมาได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่จงเถอว่าเป็นโอกาส ครั้งเดียวในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยก็ได้โอกาสที่จะได้อย่างนี้ทีนี้มันยากมากอาจจะต้องรอไปอีกหลายล้านพบหลายล้านชาติด้วยกันถ้าเราไม่รีบตักตวประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้เราก็จะเหมือนกับว่าเสียสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับเราไปโดยโดยใช่เหตุ เราสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยทุกคนนี่มีสิทธิ์ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้ามีพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสไม่สําคัญเรื่องของเพศนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ แต่สิ่งที่จะบ่งก็คือหนึ่งต้องมีพระพุทธศาสนาสองต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งสอนพระภิกษุว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แล้วไม่เจ็ดวันก็เจดเดือน ไม่เจ็ดเดินก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอนนี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาและโชคอันมหาศาลของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการที่เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราจะทำงางกับลอตเตอรี่ใบนั้น เราจะเก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าเราจะไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อขึ้นเงินรางวัลถ้าเราเก็บไว้ในกระเป๋าถึงแม้ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่มีรางวัลเราก็จะไม่ได้รับรางวัลถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราแต่ถ้าเราเอาไปยื่นให้กับสำนักสลากกินแบ่งเขาก็จะมอบรางวัลให้กับเรา จัใดพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่การขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือให้ปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองให้ปฏิบัติเต็มที่เลยอย่าทำแบบพอหอมปากหอมคอทำให้มันเป็นอาชีพปไปเลยเป็นมืออาชีพหยุดการทำมาหากินแบบอื่นเอา เอาการทำทานเอาการรักษาศีลเอาการภาวนานี่มาเป็นเป็นอาชีพของเราเลยเพราะว่ามันสาคัญยิ่งกว่าอาชีพของทางร่างกายการทำอาชีพทางจิตใจนี้มันสาคัญเพราะมันจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเรายังมัวไปทำอาชีพของทางร่างกายอยู่เราก็จะต้องกลับมาทำอาชีพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆ พอพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาร่างกายไปหาความสุขทางร่างกายไปเยอะก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่เราเคยทํามาแล้วแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาท่านจะสอนบอกว่าให้หยุดหยุดการทํามาหากินแบบนั้นเสียที เพราะมันเป็นการวนอยู่ในวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายให้เราออกมาจากวัตตะนั้นเถิดด้วยการมารรมหากินมืออาชีพทางจิตใจดีกว่าการทรมาหากินมืออาชีพทางจิตใจก็คือทำทานนักษาศีลและภาวนานั่นเองจะทำในรูปแบบไหนก็ได้รูปแบบของนักบวชก็ได้รูปแบบของคารวะก็ได้ไม่สาคัญ แต่ละคนนี่อาจจะมีมีมีข้อบังคับหรือมีเงื่อนไขที่ต่างกันบางคนอาจจะทำแบบนักบวชไม่ได้แต่ก็ทำแบบนักค า, ารวะผู้คลองเลือนก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเลือนแต่อยู่ที่ว่ามีการทำทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาหรือไม่ เราก็ต้องทำอย่างเต็มที่เต็มร้อยเหมือนสมัยนี้การเรียนหนังสือก็มีหลายรูปแบบเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนนอกก็ได้คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำมาหากิจแล้วยังสามารถเรียนวิชาต่างๆปริญญาต่างๆโดยไม่ต้องไปที่มหาวิทยาลัยก็ได้เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางสื่อต่างๆก็ได้ ตราบใดที่มีการเรียนและการทําข้อสอบผ่านก็จะได้รับปริญญาเหมือนกันอน่างใดการบําเพ็ญทานศีลภาวนาจะเป็นในรูปแบบของคารวะก็ได้ของนักบวชก็ได้ไม่ต่างกันตรงไห น, นถ้ามีการบําเพ็ญเหมือนกันผลก็จะต้องเหมือนกันที่การบําเพ็ญของคารวะส่วนใหญ่มันไม่ได้บําเพญเ็ญเต็มที่เหมือนกับนักบวชเท่านั้นเอง จึงทำให้ผลนี้เกิดความแตกต่างกันการบำเพ็ญของฆราวานี้อาจจะทำเพียงร้อยละสิบร้อยละยี่สิบหรือร้อยละห้าสิบการบำเพ็ญของนักบวชนี่เขาทำกันร้อยละร้อยผลจึงเกิดจากพวกที่เป็นนักบวชกันเสียส่วนใหญ่บรรดาผู้ที่ได้หลุดพ้นจากวัาตะการเกิดแก่เจ็บตายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันทั้งนั้น อย่างครบาจารย์ที่เรากราบไหว้ที่เราเคารพที่เราเชื่อว่าท่านได้หลุดพ้นแล้วนี้ท่านก็เป็นนักบวชทั้งนั้นมีเพียงคนสองคนที่ถือว่าเป็นขาวว่าถือศีลแปดเป็นแม่ชีนอกนั้นนี้เป็นพระทั้งนั้นอแต่ความจริงการเป็นแม่ชีกับการเป็นพระนี่ก็ไม่ต่างกันแล้วเพราะอยู่แบบเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันบําเพ็ญร้อยเต็มร้อยเหมือนกัน แต่พวกที่ยังคองเรือนอยู่ยังรักสามียังรักภรรยาอยู่ยังรักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่นี่พวกนี้ไม่สามารถที่จะบาเพ็ญได้อย่างเต็มร้อยเพราะยังแบ่งให้กับการบาเพ็ญในทางร่างกายอยู่ยังหาความสุขทางร่างกายกับสามีกับภรรยาหรือกับการไปท่องเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ จึงทำให้การบำเพ็ญฐานศีลภาวนานี้ไม่สามารถทำได้เต็มร้อยผลจึงไม่เกิดเต็มร้อยเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างการเป็นคารวากับการเป็นนักบวชต่างอยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติไม่ได้ต่างกันเพราะว่าได้โกนหัวห่วมผ้าเหลืองแล้วอยู่ที่วัดกับไม่ได้โกนหัวไม่ได้ห่มผ้าเหลืองก็อยู่ที่บ้าน ต่างกันตรงที่ปริมาณของการบาเพ็ญทานศีลภาวนาว่ามีเท่ากันหรือไม่นักบวชนี่เขาทำทานน้อยเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรยกให้คนอื่นไปหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราสระละราชสมบัติจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาครูบาอาจารย์ต่างๆเวลาท่านบวชท่านก็สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ไปหมด แล้วการรักษาศีลจองท่านก็รักษาศีลเต็มร้อยสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อพวกเราบางทียังศีลแปดยังรักษาไม่ได้ทุกวันขอเอาแค่วันพระเท่านั้นส่วนวันอื่นก็ยังขอเอาแค่ศีลห้าอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลก็ไม่เต็มร้อยเวลาภาวนาก็ไม่ได้ภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับภาวนาวัวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างนี้มันก็ไม่ เหมือนกันการบำเพ็ญไม่เท่ากันเราจะเอาผลเท่ากันได้อย่างไรเหมือนกับการปลูกนาปลูกร้อยละสิบกับปลูกน้อยละล้อยนี่ผลมันจะได้เท่ากันหรือไม่ปลูกข้าวสามไร่กับปลูกข้าวสิบไร่เนี่ยผลที่จะได้จากข้าวที่เราปลูกนี่มันเท่ากันหรือไม่ปลูกสามไร่มันก็จะได้ข้าวประมาณปริมาณสามไร่ ปลกสิบไร่มันก็จะได้ข้าว ป, ปริมาณสิบไร่นั่นเองดังนั้นเราอย่าไปดูที่การเป็นคราวาสหรือเป็นนักบวชให้ดูปริมาณของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้ายัางปฏิยังยังปฏิบัติน้อยก็ต้องเพิ่มมันขึ้นไปให้มันเต็มร้อยให้ได้ถ้ามันไม่เต็มร้อยมันก็จะไม่ได้คะแนนเต็มร้อยนั่นเอง มันก็จะไม่ได้ผลที่เราปาถนากันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่การเป็นคารวะหรือเป็นนักบวญแต่อยู่ที่การบำเพ็ญว่าเราบำเพ็ญมากน้อยเพีนนยงไรเท่านั้นเองขอให้ดูตรงนี้เป็นหลักแล้วเราจะได้ไม่หลงทางแล้วก็จะไปคิดโทษนั่นโทษนี้ว่ ไปบวชไม่ได้เพราะติดนั่นติดต้่ขึ้นมามันติดความอยากทั้งนั้นนหะที่มันไปไม่ได้ที่ไม่ได้ภาวนาก็เพราะมันติดความอยากแทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็เอาเวลาไปนั่งดูละครกันไปดื่มไปรับประทานอาหารกันแล้วมันจะมีเวลามาบาเพ็ญได้อย่างไรขอให้เราดูตรงนี้ถ้าเราอยากจะได้ผลต้องดูที่เหตุ ก็คือการบรรําเพ็ญทานศีลภาวนาผลก็คือมรรคสีผลสีนิพพานเองที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องของการให้พรแก่ตัวเราเองถ้าเราอยากจะแก้ครรรําสาปที่เราถูกสาปมาให้มาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องบําเพ็ญทานศีลภานวน า, าเพื่อที่เราจะได้ละตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรา เมื่อละละตัณหาความอยากได้แล้วเราก็จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้เราจะแก้คำสาปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อยะถ า, าวาริวาาปูราปารปิรตุเรนติสาขาัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะปะโสยะธาเมณิโชติระโสยะธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตภวตวันตรายสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนสีลิษะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏทานติอายุวะโนสุขังภาลัง ลำดับตอบอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบนะถ้าอยากจะให้ตอบก็ต้องถามตอนที่เปิดไมโครโฟนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วคนตอบจะได้ไม่เหนื่อยอเชิญ คือนั่งสมาธิไปแล้วแล้วพอพอมันรู้สึกสบายคือหมายถึงว่าเราควบคุมความคิดไม่ไม่ฟุ้งซ่านได้ในระดับหนึ่งหมายถึงว่าพอพุทโธไปแล้วมันมีความคิดแวบขึ้นมาก็ดึงมันกลับมาได้พออยู่ไปเรื่อยๆมันรู้สึกสบายแล้วมันรู้สึกว่าพอมันไม่ได้ลุ้นกับความเจ็บคือมันรู้สึกว่าเจ็บในระดับหนึ่งที่เราทนได้คือรักษาใจให้อยู่ตรงกลางไม่อยากให้มันหายหรือไม่อยากให้มันเจ็บมันก็พอทนได้ แต่ทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันรู้สึกว่ามันเบื่อๆหนูก็เป็นอาการแบบนี้มาสองสามวันแล้วคือนั่งที่ไรเขานั่งไปสักพักมันก็รู้สึกสบายแวบขึ้นมาก็ดึงกลับได้หรือว่าเจ็บก็พอทนได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันเหมือนดูหนังที่มันไปเรื่อยๆมันไม่มีฉากที่แบบมันเล่าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ต้องทํายังไงต่อไปต้องดูมันต่อไปหรือว่าต้องยังไงต่อคะบางที ถ้าเราอยู่ที่มันเคยชินมันก็อาจจะไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเล้าใจเราอาจจะต้องไปหาที่มันท้าทายกว่านี้เช่นพระที่เคยอยู่วัดบางทีท่านก็ต้องไปเปรกวเว้วอยู่ในป่าไปอยู่คนเดียวไม่มีกุฏิอยู่กางกอดอยู่ที่โคนต้นไม้มีภายรอบด้าน มันก็จะทำให้จิตืต่นตัวมีความระมัดระวังและกิเลสมันก็จะคอยม า, าสร้างความกลัวชนิดต่างๆให้เกิดขึ้นกับเราซึ่งจะทำให้เราจะต้องอใช้การปฏิบัติเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสมันก็เป็นการกระตุน้นนั่นเ้กากระตุ้นแบบหนึง่งวิธีกระตุ้นอีกแบบก็คือ เราเคยอยู่เคยกินอย่างสบายเราก็ต้องทำให้มันไม่สบายกินให้มันน้อยอดข้าวบ้างสามวันค่อยกินสักครั้งหนึ่งห้าวันสักกินสักครั้งหนึ่งเวลามันหิวมันก็จะต้องใช้การปฏิบัติการภาวนาเพื่อมาต่อสู้กับความหิวเพราะความหิวส่วนใหญ่เกิดจากความอยากรับประทานอาหาร ร่างกายนี้จะรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอาหารมันจะไม่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราคือความอยากเราให้กินอย่างเต็มที่มันก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อยู่เหตุการณ์กอาหารนี้มันก็จะเป็นการที่จะสร้างภาวะกดดันให้กับกักับเราทำให้เราต้องเสริมความภาคเพียรขึ้นมา เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับความกับความอยากต่างๆที่จะมีเพิ่มมากขึ้นหรือก็นั่งแล้วก็อย่าไปลุกกำหนดเวลาไว้อเอาสามชั่วโมงห้าชั่วโมงไปถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็บังคับให้มันนั่งไปไม่ต้องลุกยิ่งถ้าไม่เปลี่ยนอิรยาบทได้ก็ยิ่งก็ยิ่งยิ่งยาก ยิ่งมีความอยากมากขึ้นแล้มันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราจะสร้างกรอบแบบไหนขึ้นม า, าถ้าเราอยู่แบบสบายๆถึงจุดหนึ่งมันก็จะอิ่มตัวแล้วมันก็จะไม่คืบหน้าถ้าอยากจะให้มันคืบหน้าก็ต้องมีมาตรการที่มันโหดกว่านี้เช่น ขั้นเริ่มต้นก็เคยแนะนําว่าให้สู้ความอยากด้วยการนั่งเฉยๆแต่ยังไม่ต้องขั้นโหดร้ายคือให้นั่งสบายๆหาเก้าอี้มานั่งสบายๆบยับงคับไม่ให้ลุกจากเก้าอี้ไปแต่ถ้าเมื่อยจริงๆก็ให้ยืนตรงข้างเก้าอี้นั้นได้ลองนั่งอย่างนั้นไม่ต้องทําอะไรใช้การปฏิบัติสู้กับความอยาก ที่อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปตรงนั้นอยากจะมาตรงนี้กายวะครัเหมือนกับว่าเราสร้างโครงขึ้นมาครอบความอยากไว้ให้มันอยู่ตรงเก้าอีน้นี้แต่ยังเป็นขั้นเบาๆคือไม่บังคับให้นั่งแบบขัดสมาธินั่งแบบไม่เปลี่ยนอิริยาบถให้นั่งสบายหาเก้าอี้โซฟามานิ่มๆนั่งไปแต่ห้ามหลับห้ามหลับ ถ้านั่งแล้วเมื่อยอยากจะขยับซ้ายขยับขวาก็ขยับได้ถ้าอยากจะลุกขึ้นมายืนยืดเส้นยืดสายก็ยืนตรงนั้นได้อยู่แต่ไม่ให้ไม่ให้ไปจากตรงนั้นยกเว้นกรณีที่ต้องเข้าห้องน้าถ้าหิวน้าก็เอาน้ามาตั้งไว้สักขวดหนึ่งสองขวดแล้วก็รดเป น, น้าเปล่าอย่าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเ <c oughs> พราะมันเป็นการเสริมความอยาก ทางตาหูจมูกร่างกายเราต้องการที่จะมาอาขังความอยากไว้แล้วดูซิว่าเราจะสู้กับมันได้ไหมถ้าเราชนะมันความอยากมันจะเบาลงต่อไปมันจะไม่มาคอยรบกวนใจเราแล้วถ้าเราทําแบบนี้ผ่านไปขั้นต่อไปก็อาจจะต้องนั่งขัดสมาธิแล้วก็ไม่ขยับแล้วก็สู้มันอีก ไม่เพราะตอนนั้นมันจะเจ็บมากกว่าพอตอนต้นนี้เราอนุญาตให้เวลาเจ็บให้เปลี่ยนเอริยาบทได้อย่างนั่งก็ลุกขึ้นมายืนได้ถ้าเรามีกําลังมากขึ้นที่จะสู้กับความอยากได้ขั้นต่อไปเราก็นั่งขัดสมาธิแล้วกําหนดเวลาไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงจะสงบไม่สงบก็ไม่ลุกจะสู้กับมัน ด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติหรือด้วยการเจริญปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นไปถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าการอดอาหารมันก็จะเป็นการสร้างภาวะขึ้นมาแบบหนึ่งถ้าเรามีโอกาสที่จะไปอยู่ที่เปรี่ยวที่น่ากลัวได้ก็ไป เราต้องการไปกำจัดความกลัวซึ่งเป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งความกลัวนี้มันเกิดจากวิภาวะตัณหาความอยากไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายมันถึงทาให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาเราต้องไ ป, ปเผชิญกับความตายแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่ตายแล้วมันจะไม่กลัวอะไรนั้นก็ต้องหามาตรการของการปฏิบัติ ถ้าเหมือนกับสมัยนี้ก็มีการทําข้อสอบหลายระดับนีระดับะระดับเด็กอัจฉริยะกับระดับเด็กธรรมดานี้ข้อสอบจะต่างกันนักปฏิบัติก็เหมือนกันตอนต้นก็อาจจะเป็นข้อสอบของนักปฏิบัติธรรมดาและเมื่อผ่านขั้นนี้ไปได้ก็ต้องขับขึ้นไปสู่ระดับอัจฉริยะต่อไปเพื่อที่จะได้ผลที่เป็นอัจฉริยะผล แล้วก็า ม, าวมีข้อหนึ่งค่ะคือว่ามีวันนึงหนูโดนยุงกัดแล้วหนูก็นั่งมองเหมือนมันก็พองตัวแดงขึ้นมาแต่หนูก็ดูว่าหนูอยากตกมันไหมในใจหนูก็อยากตกแต่หนูก็กลัวว่าเดี๋ยวผิดศีลข้อหนึ่งแต่ในขณะที่หนูเปรียบเทียบกับน้องมุกเด็ก6ขวบที่เขาบอกว่าเขาไม่โกหกเพราะเขาไม่อยากโกหกไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวตกนรกหนูก็มีความรู้สึกว่าความเฮลิตโอตปะอย่างหลังอย่างไม่อยากทําผิดไม่อยากทําบาปเพราะไม่อยากทํามันดูจะมีมากกว่าไม่อยากทําเพราะกลัวบาปอะไรอย่างเงี้ย คิดอย่างนี้ถูกไหมคะคิดอย่างไรก็ได้ขอให้อย่าไปทำก็แล้วกันขบาวข่าวใพการพระอาจารย์ครับสมมติถ้าจิตถอนออกจากความสงบแล้วเนี่ยจะออกมาเจรกในปัญญาสมมติว่ามีโจทย์ข้อหนึ่งคือติดกาแฟาวิธีการพิณาปัญญาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับมันควรจะเป็นยังไง ร, ระหว่างข้อที่หนึ่งคือเห็นไตรลักษณ์ในรถกาแฟ ข้อที่2คือคิดว่ากาแฟเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดถ้ารีกินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องกินมากขึ้นไปเรื่อยๆๆหรือระดับพิเษหรือข้อที่3คือเมื่อจิตมันเห็นรูปกาแฟแล้วจิตมันกระเพื่อมขึ้นมานแล้วเราปล่อยมันเลยไม่ต้องสนใจอีกวิธีไหนที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับอาจารย์ก็วิธีไหนที่ละมันได้ก็วิธีนั้นแหละแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเห็นว่ามันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์บางค น, นมัน เ, น, นเห็นว่ามันเป็นอนัตตา นันอยู่ที่เราจะเห็นเห็นในรูปแบบก็ได้ในสามรูปแบบนี้เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เติมก็ทุกข์มันหรือมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ทุกข์วิธีจะไม่มีความอยากก็ต้องไม่ไม่ดื่มไม่ทำตามความอยากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่แต่ละคนมันจะมอง มุมไหนมันเรื่องเดียวกันมันมองต่างมุมได้มันมีสามุมให้เรามองจะมองว่ามันเป็นอนิจจังก็ได้มองว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้มองว่ามันเป็นอนัตตก็ได้ร่างกายมันเป็นอนัตตาร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟหรอกมันมีกาแฟไม่มีกาแฟมันไม่ตายหรอกขอบพระคุณครับสัจจะกับความตั้งใจเนี่ยลูกไม่รู้จะ เอาอันไหนดีแต่มันเป็นไปทางในธรรมทั้งคู่สัจจะที่ว่าก็คือลูกไปรับป่ากับคนที่เขาจะออสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ลูกแต่ความตั้งใจของลูกอีกอย่างก็คื อ, อ, อไปทาบุญกราบหลวงพ่อที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างี้ค่ะเลยไม่รู้ว่า เราจะเลือกอันไหนดีแต่ว่าสัจจานั้นได้พูดกับทางที่เขาจะสอนไปแล้วแต่ความตั้งใจที่อยากจะไปกราบพระอาจารย์น่ยมันก็มีแต่พอดีเป็นวันที่ตรงกันลูกไม่รู้จะเอาไปทางไหนดีก็ต้องชั่งชั่งน้ําหนักระหว่างการเสียสัจจากับประโยชน์ที่ได้จากการเสียสัจจาว่าอันไหนมันจะมากกว่ากัน ถ้าประโยชน์จากการเสียสัตจะแล้วได้มากกว่าการเสียสัตจะ ก, ก็ไปพ่ายอมเสียสัตจะเพื่อที่จะได้ประโยชน์ที่มากกว่าหรือว่าถ้าประโยชน์จะได้มากกว่าจากการรักษาสัตย์จ ก, ก็เราก็ต้องเอารักษาสัตจะดูดูผลประโยชน์เป็นหลังคุณค่ะดูผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ดูโทษด้วยเพราะการเสียสัตจะมันก็จะมีโทษ หนึจะเสียเครดิตเนี้ยคนจะไม่เชื่อคําพูดของเราเราคามั่นสัญญากใครต่อไปก็จะไม่มีใครเขาจะเชื่อเราสองเราก็จะไม่มีหลักไม่เกณฑ์บางทีเราจะควบคุมบังคับใจเราด้วยสัจจะ ก, ก็บังคับไม่ได้เพราะเราโลเลแต่ตอนที่คุยนั้นเราใช้คําว่าถ้ามีเวลาจะไปปฏิบัติแต่อย่างนี้จะถือว่าเรา เรารับปากรับคำอะไรยังนะถ้ามันมีคําว่าท่ามันก็มีช่องออกคืออยากไปกราบพระอาจารย์ที่ต่างจังหวัดมากกว่าอะไรนี่ค่ะทางนู้นจะเยอะกว่าก็ไม่ถ้ามีคําว่าท่าก็โอเคแล้วเนี่ยเหมือนกับเวลาเซ็นเช็คเราไม่ได้ใส่ชื่อลงไปนี่มันก็จะใส่ชื่อใครก็ได้ใช่ไหมทีหลังถ้าเปลี่ยนใจแทนที่จะให้คนนี้ก็ให้คนนั้นไปก็ได้ถ้ามีคําว่าถ้าก็โอเค้นอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็น เป็นสัจจะหรือเป็นความตั้งใจลนะ่ะเป็นคำปารกเฉยเฉยเสียมากกว่าค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ถ้ามีเวลาก็จะปฏิบัตินี้มันมันก็ไม่มีเวลาสักที <c oughs> <c oughs> กที่มันก็มี24ชั่วโมงด้วยกันทุกวันคนำะถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะจากคุณพิธิพร เคยเห็นรูปที่พระอาจารย์เดินนําคณะส่์บินธบดีดอกไม้อยากทราบว่าทําไมพระอาจารย์ถึงมีการถวายดอกไม้มีความสําคัญหรือมีอานิสงส์อย่างไรคะเป็นส่วนหนึ่งของอามิสทานที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการขัดเกลาจิตใจหรือไม่อย่างไรคะก็มันเป็นธรรมเนียมที่ชาวพุทธเราสร้างกันขึ้นมาเองไม่ได้เป็นพุทธบัญญัติ คือในช่วงเขา้าพรรษานี้ก็จะมีพระมาบวชกันมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็ภายในวัดนี่ก็มีสถานที่บูชาสำคัญสำคัญหลายแห่งญาติโยมก็อยากจะถวายดอกไม้ทูกเทียนให้กับพระจะได้เอาไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆในวัดก็เลยเกิดธรรมเนียมการ ถวายดอกไม้ทูปเตียนในวันอาสาฬหบูชาขึ้นมาเท่านั้นเองก็เป็นก็เป็นอุบายให้ญาติโยมได้ทำทานได้บริจาคทรัพย์เอาทรัพย์นี้ไปซื้อดอกไม้ทูปเตียนแล้วก็ให้พระมีอาบิสบูชาคือมีเครื่องสักการะบูชาไปบูชาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดต่ถ้าพูดมองจากมองจาก แนวของพระป่าหรือของของพระปฏิบัตินี้ท่านจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของอามิสบูชาท่านจะเน้นอยู่ที่ปฏิบัติบูบชากันมากกว่านะครับเห็นท่าในวัดปฏิบัตินี้จะไม่ค่อยมีพิธีกรรมเหล่านี้ท่านจะให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่ามาเดินรับดอกไม้ทูเทียนแล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปองค์ต่างๆที่มีอยู่ในวัดนะครับ ผลที่ได้รับมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะแต่สำหรับผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนดีกว่าไปนั่งดูทีวีไปคุยกินดื่มกาแฟกันก็จับมาทำเรื่องของอมิสบูชากันไปก่อนคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมคิดถึงเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่บางครั้งโยมก็ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงเรื่องแบบนี้ เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ20ต้นๆปัจจุบันอายุ36ปิปีเป็นเพราะอารมณ์ของคนใกล้ตายหรืออาการที่เป็นเรียกว่าโรคประสาทหรือกลัวตายมากจนขึ้นสมองหรือโยมมีอะไรบางอย่างในตัวเพราะเท่าที่รู้คนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงเรื่องความตายเกิดการพิจารณาความตายนี้มันเรียกว่าเป็นการเจริญมรนานุสติ เป็นการเตือนความจําว่าชีวิตของเรานี่มีวันสิ้นสุดลงถ้าเราเอามาใช้ในหลักนี้มันก็จะช่วยกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางไปได้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคิดแบบคนซาดิสนี่ก็อาจจะเป็นแบบกิเลสไปก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเราคิดแบบไหนเราคิดแล้วทําให้ความโลภความโกรธความหลงนี่เราเบาบางลงไปก็ ดีแต่ถ้าคิดแล้วก็จะคิดไปเชื่อเชื้อนญฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีดงั้นก็อยู่ที่ว่าการจเจริญนอนนะนสตินี้เพื่อเหตุผลกลไกอันใดถ้าเพื่อการกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสก็ดีแต่ถ้าเพื่อการไปฆ่าผู้อื่นนี้ก็ไม่ดีคำถามต่อไปจากคุณโทนี่ผมเป็นคนชอบโมโหง่ายเวลามีคนทำอะไรให้ หรือลูกน้องทำงานไม่ได้ดังใจบางทีโมโหแล้วขาดสติทาลายข้าวของพระอาจารย์พอมีวิธีชี้แนะแนวทางแก้ไขไม่ให้โกรธง่ายหรือโกรธแล้วแต่สามารถควบคุมตัวเองได้อยู่ได้ไหมครับความโกรธของเราก็เกิดจากความอยากของเรานั่นเองไม่ได้ดังใจอยากก็เลยโกรธยันเวลาทำอะไรอยา่าทำด้วยความอยากทาด้วยเหตุด้วยผล แล้วทำแล้วพิจารณาความเป็นไปได้ว่าเราว่าเหตุผลต้องให้ทำอย่างนี้แต่สั่งการไปแล้วคนที่รับคำสั่งไปนี้เขามีประสิทธิภาพมีความศักยภาพที่จะทำตามที่เราสั่งได้หรือไม่คือเราต้องใช้เหตุใช้ผลในการทำงานกับผู้อื่นเราอย่าใช้อารมณ์ใช้ความอยากของเรา เราอยากไปคิดว่าพอเราสั่งเขาปุ๊บแล้วเขาจะทําตามที่เราสั่งได้เสมอไปเพราะว่าศักยภาพของเขามันไม่เท่าเราก็ได้ถ้าเขามีศักยภาพเท่าเราเขาก็ไม่ต้องมารับใช้เราไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเราถ้าเขาเป็นลูกน้องเราก็แสดงว่าเขามีศักยภาพไม่เท่าเราเราสั่งไปนี้เขาอาจจะทําไม่ได้ก็ได้หรือทําไม่ได้เต็มที่เหมือนกับที่เราต้องการก็ได้เฉั้นเราต้อง ใช้เหตุผลอย่าใช้ความอยากในการาทำอะไรแล้วก็ต้องคิดถึงความไม่เที่ยงคือไม่แน่นอนว่าสั่งอย่างนี้อาจจะได้อีกอย่างก็ได้เช่นบางทีไปร้านอาหารสั่งก๋วยเตี๋ยวเด็กมันฟังผิดเลือดจิตออเดอร์ผิดมาเอาเข้าวผัดมาให้ก็ต้องหัดทำใจบ้างว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน อาจใช้คำว่าสันโดษบ้างก็จะดีคำว่าสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับแล้วความโกรธต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปมีอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็สอนว่าให้ไปซื้อตาช่างมาอันนึงแล้วก็ไปซื้อมันมากิีโลหนึ่งแล้วก็มานั่งช่างมัน <laughs> คำถามต่อไปจากคุณธนิกผมได้งานเป็นฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบส่งร้านอาหารจําเป็นต้องสั่งซื้อเนื้อสัตว์ครั้งล้ำมากๆจากบริษัทที่ขายเนื้อสัตว์แปรรูปอาชีพที่ผมทํานี้จะเป็นบาปไหมครับถ้าเนื้อสัตว์ที่เราซื้อนี้เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ไม่บาปแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ยังไม่ตายแล้วเราสั่งให้เข้าฆ่าหรือเราฆ่าเองถึงจะเป็นบาปคาถามต่อไปจากคุณทอมตี้ พระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์หรือไม่คะแล้วที่เราไปซื้อเนื้อสัตว์มาทําอาหารกินถือว่าเราผีสีหรือทําบาปไหมคะมีคนบอกว่าถ้าเราไม่กินเขาคงไม่ฆ่ามาขายกินหรือไม่กินดีคะเนื้อสัตว์ก็อย่างที่บอกว่าเนื้อสัตว์ถ้ามันตายแล้วนี่มันก็เป็นอาหารที่เราสามารถเอามาบริโภคได้แต่ถ้า สัตว์นี้ยังไม่ตายแล้วเราไปทำให้เขาตายเพื่อจะบริโภคเนื้อเขาอย่างนี้ก็ทำไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณเป็ดหัวหอมเพื่อนของหนูตั้งท้องสิบสัปดาห์แล้วเด็กผิดปกติหมอบอกให้เอาออกแล้วหนูก็ลืมตัวปลอบเขาไปว่าไม่เป็นไรนะน้องมาแบบไม่สมบูรณ์รอแข็งแรงค่อยมีใหม่ทำบุญให้น้องมากๆ หนูเป็นคนกลางกับเพื่อนๆหลายคนแต่ทางโลกหมอวินิจฉัยแบบนี้หนูไม่สามารถช่วยน้องไว้ได้หนูก็ไม่สบายใจภูมิธรรมบางทีมันต่างกันพูดไปเพื่อนก็หาว่าเราบ้าไปเวอร์ไปบาปอยู่ที่ใจหนูเองก็ไม่สบายใจหนูควรทำอย่างไรดีคะก็ควรเงเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาคำถามต่อไปจากคุณปัทมา การที่เราสวดมนต์บทต่างๆเช่นท ร, รมาจากอนัตลักษณ์หรือมหาสมัยสลับวันกันจะมีผลต่อสมาธิมากน้อยต่างกันไหมเจ้าคะหลังสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธิต่อหรือทำวัดเช้าเย็นสั้นๆก็พอเจ้าคะ่ะการสวดมนต์พระสูตรต่างๆบทต่างๆนี่ถ้าสวดเพื่อทำใจให้สงบนี้สวดบทไหนก็เหมือนกันเพราะว่าเราอาศัย บทสวดมนต์นี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆฉะนั้นจะสวดบทไหนหรือจะสวดคำว่าพุโทโธคาเดียวก็ได้ผลเหมือนกันคือเป็นการทาสมาธิแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายนี้การสวดแต่ละบทนี้จะมีผลแตกต่างกันเพราะประสูต์แต่ละประศูต์นี้จะแสดงธรรมในลักษณะต่างกัน ถ้าเราสวดสติปัฏฐานสูตรเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญสติถ้าเราสวดธรรมจกกักรปวัตตนสูตรเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับมรรคแปดพระอริยาาสัจสีอันนี้เป็นส่วนของปัญญาถ้าเราสวดก็เหมือนกับการฟังธรรมไปในตัวถ้าเราเข้าใจความหมายฟังธรรมจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าโดยตรงดงนั้นการสวดก็มีสองลักษณะ แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นชาวพุทธเราสวดกันแบบไม่เข้าใจความหมายกันก็เป็นอุบายของการทําสมาธิจะสวดบทไหนก็ได้จะสลับก็ไม่สลับก็ไม่เป็นไม่ต่างกันแล้วแต่จะลิกชอบบทไหนก็สวดบทนั้นไปสวดบทไหนแล้วใจสงบก็เอาบทนั้นก็แล้วกันคําถามต่อไปแต่คุณภาวนาเวลามีสัตว์เลี้ยงเช่นหมาแมวพอเลี้ยงไปแล้วเราไม่สามารถเลี้ยงได้ไหว ถ้าครองชีพไม่พอเลี้ยงปากท้องของตัวเองจึงมีความจําเป็นต้องนําไปปล่อยทั้งทั้งที่เสียใจมากจะเป็นบาปหรือไม่คะก็เป็นการไม่เป็นไม่บาปหรอกแต่เป็นการขาดความเมตตาคือความเมตตาเราหมดเหมือนน้ํามันตามไปแล้วมันหมดมันก็เลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาต่อไปได้ไม่มีความเมตตากรุณาก็ปล่อยเขาอยู่ตาม ตามอัตภาพตามบุญตามกรรมไปแต่เราไม่ได้ไปฆ่าเขาก็ไม่ได้บาปบาปเกิดขึ้นจากการฆ่าถ้าไม่ได้ฆ่าปล่อยให้เขาอยู่ไปตามอัตภาพของเขานี้ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ความเมตตาคำถามต่อไปจากคุณพ่อแม่รักแท้ทุกครั้งของการนั่งสมาธิต้องหาวมีน้ําตาตลอดแค่ได้รู้ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระ ก็จะเริ่มเป็นค่ะเป็นเพราะอะไรคะก็มันเป็นปฏิกิริยาของกิเลสพอเวลาที่จะให้มันสงบนี่มันจะหาวขึ้นมาทันทีเหมือนหมาเวลาตอนคืนว่าอากาศเย็นหน่อยมันก็หอนขึ้นมาแต่ถ้าให้นั่งเปิดดูทีวีนั่งเล่นไพ่นี่มันไม่หาวคำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม หนูนั่งสมาธิโดยเริ่มที่คำบริกรรมเช่นพุทโธธัมโมสังโฆจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆซึ่งมีสภาวะสงบเป็นพักๆแต่เมื่อเช้ามีอาการตกหลุมตกบอ่อแรกๆก็รู้สึกสบายกับคำบริกรรมแต่พอเจออาการวูบซึ่งแรงมากหนูตกใจรีบคว้าพุทโธเอาสติไปจ่อกับพุทโธ ตอนแรกก็คิดว่าจิตจะรวมลงก้นบ่อแต่พอเอาสติเอาตัวรู้มาจาะกับพุโทโธอาการบูบหายไปกลับมาเป็นอาการแบบเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆคือเริ่มต้นใหม่หนูทำถูกไหมคะมันก็เป็นสมาธิขั้นต้นๆเขาเรียกว่าคันิกะสมาธิพอบูบปับแล้วมันก็ถอนห อ, อกมาแล้วก็พยายามทำต่อไปประครับประคองใจด้วยสติไป ต่อไปถ้าเกิดมันวูบก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องอะไรให้รู้เฉยๆไปนั้นก็อาจจะตั้งอยู่ได้นานขึ้นถ้ามีกำลังของสติคอยประครบับประครองใจอย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งมันก็จะถอนออกมาทันทีฉัน ใ, ใช้คําบริกรรมนี้ก็เป็นการปรุงแต่งแล้วถ้ามันวูบแล้วเราต้องหยุดพุดโทโธไปเราต้องสักแต่ว่ารู้ไปใจใหมๆ่ๆมันก็อาจจะตื่นเต้นตกใจมันก็ แต่ถ้าเราเคยทําให้มันวูบได้แล้วต่อไปมันก็จะวูบไปเรื่อยๆข้อสาคัญเวลาทําอย่าไปอยากให้มันวูบเพราะถ้าอยากให้มันวูบแล้วมันจะไม่วูบเพราะมันไม่ได้ทํามันมีแต่ความอยากคํำถามต่อไปจากผู้ฝากถามมีวันหนึ่งหนูฝันว่าหนูได้ไปบ้านของคนที่โกงที่ดินหนูไปซึ่งก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูทําใจปล่อยวางได้แล้ว แต่อยู่ๆก็ฝันว่าไปบ้านเขาแล้วก็ไปเจอวิญญาณผู้หญิงอีกคนวนเวียนอยู่หน้าบ้านของคนนี้ซึ่งถามได้ความว่าเขาก็ถูกโกงที่ดินเหมือนกันจึงคุยและตกลงกันว่าเราจะจ้องดูคนที่โกงที่ของเราโดยที่เราไม่ไปหลอกหลอนเขาเพียงแต่ทําให้เขารับรู้และสัมผัสได้ว่ามีอะไรที่จดจ้องเขาอยู่แต่ยังไม่ได้ทําอะไร วิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็บอกหนูว่าท่านเจ้าคุณมาทําให้หนูรู้สึกกลัวแล้วรีบกลับบ้านเพราะหนูกลัวพระอาจารย์ดุถามว่าการที่หนูฝันถึงคนที่โกงที่ดินหนูไป น, นี้แสดงว่าจิตใต้สํานึกหนูยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆยังไม่เป็นอุเบกขาจริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วอาจจะปล่อยแบบพื้นผื้นใจบอกตอนนี้ว่าปล่อย แต่เลืกๆ ก, กิเลส ข, ของเรายังไม่ยอมปล่อยเพราะเรายังไม่เห็นโทษของการที่เราไปยึดไปติดว่ามันเป็นทุกข์เราพิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปมันเป็นอนิจจังถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปอยากให้มันได้คืนมามันต้องปล่อยด้วยปัญญามันถึงจะปล่อยได้อย่างเด็ดขาดถ้าปล่อยด้วยความบังคับใจให้ปล่อย มันจะฝืนใจปล่อยแล้วมันจะยังไม่ปล่อยอย่างแท้จริงมันจะบอกตอนที่เรานอนหลับฟันไปนี่แหละคำถามข้อต่อไปค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมโดยที่เผลอแวบคิดน้อยไปบ้างแต่เว้นช่ว ง, งห่างๆพอมีความคิดโผล่ขึ้นมาก็รีพุโทโธทีๆเพื่อควบคุมใจไม่ให้เผลอไปกับความคิด ซึ่งทำให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นและรู้สึกโล่งสบายจนทำให้รู้สึกติดอกติดใจจากการนั่งสมาธิและมีความหวังว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันคงถึงอั ป, ปนาและคงได้สัมผัสกับความสุขแบบสักแต่ว่ารู้แต่ก็มีบางวันที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันจะพูดโทรหรือบริกรรมคำอื่นนี่ยากมากเพราะมันคอยแต่จะไหลไปกับความคิด และต้องใช้กำลังดึงการระหว่างความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้กับคำบริกรรมพุโทโธจะสู้กันอย่างนี้ตลอดเวลาของการนั่งสมาธิทำให้นั่งสมาธิได้นะได้ไม่นานเหมือนกับตอนที่เรามีกำลังบริกรรมพุโทโธแล้วเผลอแวบคิดน้อยทำให้ตรงนี้รู้สึกว่ายากถามว่าการจเจริญสติในแต่ละวัน มันไม่เหมือนกันตรงที่บางวันยากบางวันก็ง่ายใช่ไหมคะมันมีปัจจัยหลายส่วนด้วยกันสติของเราบางทีเราก็ไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมันก็อาจจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามากน้อยต่างกันไปมันเลยทำให้การปฏิบัติของเรานี้ยากง่ายต่างกันไปในแต่ละวัน ดังเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามันเหมือนกับการขับรถเดินทางไปบางวันรถก็ติดบางวันบางวันก็ติดน้อยบางวันก็ติดมากแต่ยังไงเราก็ต้องเดินทางไปอยู่ดีก็ขอให้เราทําไปการภาวนาของเราการเจริญสติของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับการเดินทางไปถึงจุดหมายไปหมดกาลังพอดี